คิดเนี่ยในมโนทวารวิถีเนี่ยมโนทวารวิถีมี52ใน52นี้เป็นการมัชวนามโนทวารวิถีสี่สิวิถีการมัชวนามโนทวารวิถี45วิถีนั้นน่ยก็เป็นแยกเป็นตถานุวัติกามโนทวารวิถี4วิถีก็คืออตีตักขานวิถีสมูหักขานวิถีอัตถักขานวิถีแล้วก็น้ำ นามค่าณวิถีใน4วิถีเนี่ยเขาเรียกว่าตัทธนุวติกะมโนทวารวิถี4วิถีหรืออนุพันธกะมโนทวารวิถีนเป็นวิถีที่เกิดต่อจากทางปัญจทวารวิถีนี่ได้กล่าวไปแล้วบ้างส่วนสุทธะมโนทวารวิถีเนี่ยมี41วิถีอันนี้เป็นวิถีที่เกิดขึ้นจากทางมโนทวารวิถี โดยเฉพาะหรือโดยล้วนเขาเรียกสุทธะมโนทวารวิถีมี41วิถีก็มีอติวิภูตารมวิถีนี่22วิถีวิภูตารมวิถี16วิถีอวิภูตารมวิถี2วิถีและอติยวิภูตารมวิถี1วิถีรวมเป็น41วิถีนีอันนี้ในส่วนของการมัชวนามโนทวารวิถีเนี่ย45วิถีเป็น วิถีที่เกิดต่อจากทางปัญจาทวารวิถีเสียสี่แล้วก็วิถีที่ไม่ได้เกิดต่อจากทางปัญจาเกิดขึ้นทางมโนทวารเลยทีเดียวล้วนๆเลยเนี่ยอันนั้นเป็นสี่สิบอวิถีเนีส่วนวิถีทางมโนทวารอีกอย่างก็าเรียกอปนาโชนมโนทวารวิถีเนี่ยนะมีเจวิถีเนี่ยอาทิกกมิกชาณวิถีเนี่ยนี่วิถีที่หนึ่งสองกชานสมาปฏิวิถี สามปาทกาชาณวิถี 4. อภิญญาวิถี5มัคคาวิถี6พระสมาปัฏิวิถีแล้วก็7นิโรธาสมาปฏิวิถีสรุปก็คือมี7วิถีเนี่ยนี่เขาเรียกอัปปนาเาวนมโนทวารวิถีรวมเบ็ดเสร็จวิถีทั้งหมดมีอยู่52วิถีนะนี่เป็นอย่างนี้นี่คือโครงสร้างของวิถีที่เราจะต้องตามไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้วิถีทางมโนทวารวิถีกันนี่วิถีเหล่านี้ทั้งหมด โดยสรุปก็คือว่าตรงเนี้นะในฐานะที่ศึกษาวิถีเนี่ยก็จะต้องจําว่าไอ้ห้าสิบสองวิถีเนี่ยเป็นยังไงเป็นกามชาณโนทวา้วิถีสี่สิบห้าเป็นอัปนาชาะวิถีเสียเจ็ดวิถีก็รวมเป็นห้าสิบสองวิถีเนี่ยแล้วก็ไปแยกไปตามลําดับว่าเจ็ดนคืออะไรสี่สิบเอ็ดคืออะไรแล้วก็สี่นั่นคืออะไรนี่ยไปแยกแยกไปในลักษณะเช่นนะั้นการศึกษาในเรื่องของวิถีอย่างนี้เขาเรียกว่า ตามโครงสร้างของวิถีเนี่ยก็ต้องจำจาลักษณะอย่างนี้ไว้แต่ก็จะต้องไปศึกษาวิถีพิเศษออกมาอีกนะตามลําดับแต่ก็อยู่ในจุดของวิถีเหล่านี้ทีนี้พอไปดูอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูในหลักประกอบเปิดไปอีกหน้าเลยเนะตรงนี้ก็เพื่อทำทำเวลาให้รวดเร็วขึ้นก็นไปที่หน้า15ในหน้า15เนี่ยเป็นการเรียนตามเนย่าของ อภิธรรมมัทธสังขหาถ้าในอภิธรรมมัทธสังขหาเนี่ยที่ว่าในกามาวนัมโนทวารวิถีโดยสังเขปที่อ่านไปเนี่ยนะในคถาที่22เนี่ยในคถาที่22ที่เห็นตัววิถีนี่คืออุยภูตาลงวิถีเนี่ยน ะ, ะสงสัยตรงไหนก็ให้ถามในรายละเอียดทีนี้ใน22ที่ขึ้นอยู่ที่เป็นคถาที่ดูในคาถาเนี่ย คะถากามชาวนะมโมทวารวิถีโดยสังเขปที่เป็นวิภูตารมวิถีเนี่ยก็มวีว่ามโนทวารเรปนญญทวิภูตาวิภูวิภูตามารมณะลมนังแล้วก็อาปาทปาคัจฉติแตโตพวังคัจรณะมโนทวาราวชนะชวนาวาเสเนแตทารมณะปากานิ ปวตตันติตโตปรังผวังคปาโตโดยความหมายก็ความว่าเขาแปลความว่าส่วนอารมณ์ทั้งหที่ปรากฏชัดถ้าปรากฏมาถึงมโนวทวารแล้วด้วยเหตุนี้ตถารมนะวิปากจิตเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นในที่สุดแห่งผวังคปาผวังคะมโนวทวารแล้วเนี่ด้วยเหตุนั้นตถารรมนะวิปากจิตเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นในที่สุดแห่ง ภวังขจารณะ ม, ม, มโนวทวาราวัชนะและเฉวนะต่อจากตาทารมณจิตดับลงจิตก็ลงสู่ภวังก็หมายความว่าอย่างไงในอภิธรรมมัทธะสังคหะเนี่ยที่ท่านอธิบายก็ไว้ตามในแยกของสังเขบเนี่ยอกวิภูตารมวิถีมีเท่านี้นะก็หมายถึงบอกว่าการเกิดขึ้นของวิภูตารมวิถีเนี่ยเป็นไปในลักษณะไหนบอกลักษณะเช่นเนี้ย ที่บอกว่ามโนทวาราวชนะแล้วต่อมาก็มีชาวนะใช่ไหมมโนทวาราวชนะแล้วเนี่ยแล้วก็ชวนะต่อจากแต่ธรมนะจิตดับลงแล้วจิตก็ลงสู่ผวังที่จริงในที่นี้ไม่มีอาตีแต่ผวังนะมีผวังมีผวังแล้วก็ผวังกิจรณนาผวังคู่ประเฉดถ้ามโนทวาราวชนาะชาวนะเจขณะแต่ทารับน้าสองขนาดแล้วก็ลงผวังไป ในวิถีนี้เป็นการมะพวังสิบมโนทวารวัชนะ1การมาชนะ29ในกามชวนะ29นั้นมีอะไรเนี่ยอกุศลจิต12หาสีตุปาทจิตหนึ่งมาอกุศลจิต8ปดมากริยาจิต8ปดทม่มารวมเป็น29นี่แล้วก็มีแตทารมณ์จิต11คือสันตีนะนะจิต3มหาวิปากจิต8แล้วก็ลงการมะพวังสิบไปตามเดิมถ้า ในวิถีนี้เขาท่านกล่าวไว้โดยในย่าคองสังเขตจ <ไง S 1> คือคือถ้าพูดถึงในเรื่องของอตีแต่ผวังเนยเนี่ยวิถีที่ไม่มีอตีแต่ผวังมันมีมากนะจริงๆแล้วมีมากมากกว่าวิถีที่มีอตีแต่ผวังคืออย่างนี้เกี่ยวในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของอารมณ์มมคือการรับอารมณ์ของมโนวทวารลวิถีเนี่ยถ้าหากว่ารับอารมณ์ของมโนวทวารลวิถีเนี่ย รับอารมณ์อะไรถ้ารับอารมณ์ปัจจุบันนิพพานนรูป18บแปเนี่ยนะในขณะนั้นวิถีจิตนั้นก็มีอาตีตภวังหนึ่งแต่ถ้าหาครับอดีตอนาคตอนิพพานนรูปจิตเจตสิกเนี่ยรับบัญญัติรับนิพพานเหล่านี้เป็นต้นก็ไม่มีอาตีตภวังก็อย<ๆ>่ังฉะนั้นอารมณ์พวกนั้นมันมากกว่าอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมเช่นอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตใช่ไหม หรือว่าเป็นนินพพานนรูปก็จริงอยู่แต่เป็นอดีตอนาคตเงี้ยใช่ไหมหรืออนินพพานนรูปเงี้ยหรือรับบัญญัติเงี้ยรับจิตเจตสิกเงี้ยมองออกใช่ไหมก็นนาามากกว่าสิ <c oughs> กไ็ไม่มีไม่มีอธีแต่วังเพราะวิถีใดมีอธีแต่ระวังวิถีใดมีอธีแต่ระวังวิถีนั้นก็รับปัจจุบันละปัจจุบันก็ก็ดูตรงนั้นทีนี้เกี่ยวในเรื่องของ วิภูตารมวิถีเนี่ยโดยยอดเนี่ยมีแค่นี้นะโดยยอดมีแคว่ว่ากามาพวังสิบถ้าว่าโดยภูมิก็ได้แค่การมาภูมิกามาภูมิสิบอ็ดใช่ไหมได้แก่กามาภูมิสิบเอ ด, ด, แ, มมเอดแต่ถ้าดูจากชาวนะแล้วเนี่ยในวิถีนี่ได้บุคคลบุคคล8ปดใช่ไหมทุกขติอเหตุกบุคคลสุกติอเยตุกบุคคลทวิอเหตุกบุคคลติอเหตุกบุคลบคลแล้วก็อริยบุคคลสรวมเป็นบุคคล8ปดดิเป็นนี้ ในวิธีนี้อะตอมมาเป็นอวิภูตใั้คาว่าวิภูตารมเนี่ยเขาลิแปล ว, ว่าอะไรนะอารมณ์ที่ปรากฏชัดวิภูตารม์เนี่ยคืออารมณ์ที่ปรากฏชัดชัดในทางไหนชัดในทางใจมีสองอย่างวิภูตารม์หมายความว่าอารมณ์ที่ปรากฏชัดในทางใจมีวิธีนี้รับอารมณ์ปรากฏชัดในทางใจ<ม>เพราะลงตะทาเราบะนะว่าละนี่เป็นงั้นเนี่ยถ้าจะดูจากลักษณะอย่างนี้ก็หมายความว่า พอพอวิถีนี้จิตวิถีจิตนี้เกิดขึ้นมาเนี่ย ม, มโนทวาราวชนะปารกมโนทวาราวชนะนี่ทําหน้าที่อาวชนะด้วยและในขนาดเดียวกันก็คือทําหน้าที่ตัดสินอารมณ์ด้วยนี่นะนางทางมโนทวาราวิถีเนี่ยนอกจากอาวชนะแล้วยังทําหน้าที่ตัดสินอารมณ์ด้วยเป็นโยนิโสมนสัสการไหมเป็นเป็นอโยนิโสมนัิการด้วยอย่างนี้เป็นต้นยห็นไหมเพราะอะไรถ้าหากว่าเป็น อยโยนิสโสมรสิการก็เป็นปัจจัยให้กับอกุศลโชนะเป็นไปแต่ถ้าเป็นโยนิสโสมรสิการมโนทวาราวัชนะนี้ก็ทําให้กุศลโชนะเป็นไปเออเป็นอย่างนี้นะสรุปก็คือว่ามโนทวาราวัชนะตรงนี้ยเป็นตัวบ่งบอกว่าจะอาวัชนะจะตัดสินผิดหรือถูกถ้าตัดสินผิดโชนะดวงที่หนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดก็จะเป็นอากุศลและโชนะและในกรณีการตัดสินผิดนั้นเนี่ย จะผิดในลักษณะไหนบางคนก็จะอาจจะเป็นปัจจัยเกิดโลภะใช่ไหมในโลภะแปดวงดวงใดดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่จะไปเนี่ยดวงใดดวงหนึ่งนียอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าอาวชนะรูปไออารมณ์6อารมณใดอารมหนึ่งในบรรดาอารมหกนั่นแหละอาวชนะใช่ไหมพออาวชนะปุ๊บเนี่ยตัดสินอาจเป็นโลภะดวงที่1ในโลภะดวงที่1ก็ทํากิจเป็นชวนาเสพ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเงี้ยเจครั้งเป็นเชวนะในเจดครั้งนั้นน่ะถ้าแยกเป็นกรรมเนี่ยเป็นกรรมได้เท่าไหร่เนี่ยเป็นทิฏฐาธรรมเวทนียกรรมเป็นอุปชาวเวทนียกรรมเอ็นเป็นอ布拉ปรารเวทนียกรรมก็ดูเชวนะนั่นวิธีคิดตามกรรมนะั้นท่านในมโนทวารวิถีเนี่ยชัดเลยที่เป็นกรรมชรัดกว่าทางปัญจทวารวิถีชัดกว่ามากเลยตรงเนี้ออย่างยกตัวอย่างเช่น ถ้าชาวนะดวงที่หนึ่งเนี่ยเป็นทิฐาธรรมเวทียกรรมใช่ไหมใช่ดวงเนี้ยที่นี้ในวิถีหนึ่งหนึ่งที่เวลาเกิดขึ้นมาแต่ละรับอารมณ์หนึ่งหนึ่งเสพอารมณ์ อ, อในเสพอารมณ์ประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งเนี่ยเกิดเป็นเป็นแสนแสนโกรธวิถีคํานวณไม่ได้อย่างเงี้ยและในชาวนะดวงที่หนึ่งนั้นก็จะเสพอารมณ์เช่นนั้นฉะนั้นในลักษณะของกรรมแต่ละกรรมที่เราตรึกเรานึกเนี่ยมันจึงมากมาย มหาศาลมากจริงๆถ้าประเภทที่ว่าเราจะจ้องมองแผ่นกระดานทั้งแผ่นหนึ่งด้วยโลภะมูลจิตดวงแรกเนี่ยและเป็นอุยูตารมณ์วิถีเกิดขึ้นอารมณ์ที่ปรากฏชัดด้วยเน่ก็แปลว่าโลภะนั้นเก็บทุกอนูของแผ่นกระดานนใช่ัหมหมายความว่าถ้าจะต่อนะสมมุติถ้าหากวามันมันนึกถึงอ่ะไม่ได้รับอารมณ์ปัจจุบนนันนนึกถึงอารมณ์นั้นน่ะแต่มันเก็บทุกภาพนั้น และตัวสภาพของโลภะก็เกิดขึ้นจับทุกๆอย่าแปลกใจว่าวักนก่อนยังบอกมามนุชิตบอกว่าทําไมจึงละยากมาันเหมือนที่เราบอกว่าอุ๊ยเราไม่ได้คุ้นเคยไอบ้บ้านบ้านเนี้ยย่างต๋วก็พูดใช่ไหมย่มาเลีก็พูดว่าก็าไปที่ไหนมันก็ไม่ค่อยสุขใจเหมือนกับกลับไปที่บ้านนั่นนั่นคืออะไรเนะี่ยโลภนะเนี่ยเนี่ยนั่นแหละคือโลภะแล้วเพราะอะไรละ่ะ อาจารย์ก็บอกว่าเราไม่เคยทําปริญญาเนี่ยคือเราอยู่บ้านมาแต่ไหนแต่ไรเราก็ไม่เคยทําปริญญาไม่เคยกําหนดรู้ไม่เคยรอบรู้ปัญญาตาปริญญาตีรณนาปริญญาไม่เคยประหารฉันราคาคือความยินดีพอใจแบบแต่ทางข้าประหารยังไม่ได้ทํานี่สั้นมถ้าอย่างนี้มีหรือที่จะไม่ยึดเนี่ยอาจารย์ยังพูดไปคําบอกว่าโอกาสโอกาสในการที่เราจะเป็นสัตว์ที่วนเวียนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเยอะมีโอกาสง่ายมาก พระก็ยังง่ายเลยถ้าพระไปยึดที่ตรงใดตัวหนึ่งมาประเภทอยู่ที่ไหนยึดที่นั่นเงนี้ยไม่เคยทําปริญญาที่ตรงนั้นเลยยิงย่งยิง่งยิ่งน่ากลัวใหญ่มีที่ไปเยอะนะั่นเองมีที่อยู่เยอะนะก็วนอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าในการยึดอยู่ตรงนั้นอาจจะอยู่ในฐานะดีหน่อยก็ได้นะไม่แน่คาว่าดีหน่อยคือมันไม่ได้ยึดแบบประเภทโลภะก็เด้แบบว่ายินดีเ อ, อน้อมใจที่พอใจหนะ้าที่แค่ตรงนั้ น, นก็เป็นพวกรุกเทวดาบ้าง ภู ม, มิถาเทวดาบ้างอากาศัตธาเทวดาบ้างก็ก็ว่าไปอยู่วนๆแถวนั้นเประเดชรัศมีก็น้อยหน่อยนี่เป็นนี้ไม่ได้กําหนดรู้นี่มองออกอยังไม่ยอมโดยตรงเนี่ยเนี่ยโลภภาพมันฉาบติดหมดเลยทีนี้มันติดทุกวันนะ่ะแค่อย่างเราอยู่อย่างนี้แล้วน้องไปอีกครั้งเราก็ไม่ได้ทําปริญญาอีกแหละก็ไปติดอีกแหละมันก็ไปยึดโดยโดยอํานาจของตัณหาอย่างนี้นตัณหาก็ผูกยึดๆๆดๆแน่นอย่งนั้นแหละ แล้วว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายใจมาไม่นานใช่ไหมให้สังเกตดูดิเอางี้เอาแค่คนมาจําศีลที่วัดดูเขารีบเลยเนอะเวลาคือเขาจะกลับเนี่ยให้สังเกตไหมคือเขาไม่รู้เขาจะรีบไปอะไรกันหน้ากันหนาเลยแต่เขารีบเลยแหละลองสังเกตดูดี<ม>ก็คือทายาตาปริญญาก็คือการรอบรู้ในทุกขสัตรต์ในทุกๆเรื่องอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นพระใช่ไหมพระนี่จะให้พิจารณาไงเวลาจะใช้ ย, ยีวร ไอ้คำว่าปัจเจกใช่ไหมคำว่าปัจเจกขนาดนี่ก็คือการพิจารณาจีวรในการที่จะใช้ว่าเพื่ออะไรกําหนดรอบรู้ว่าวัตถุประสงค์ของการใช้จีวรเพื่ออะไรถ้าคารวาะก็คือเสื้อผ้าเนยเซ่ทีนี้ในกลุ่มของเสนาสนะแหละได้ปัจเจกพิจารณาอย่างนั้นไม่เพื่ออะไรแหละต้องเราไม่ได้ทําตรงนี้เราก็ติดติดคารวาะก็ไม่ได้ทำนี่ไม่ได้กําหนดอย่างนี้นี่ก็ติดเลยคารวะเนี่ยแค่จะนอนแต่ละครั้งมันมีไหมคารวะที่จะเอาถามแค่โยมสรีน ยังไงเว่าจะจ ะ, จะใช้เสนาสนะหรืออยู่ในที่ตรงนั้นนะ่ยพิจารณาอย่างไงเร า, าให้พาบฟังดินี่นกาหนดยังไงฮะคือในสูตรเขามีพิจารณาอยู่ให้เห็นประโยชน์ในการใช้ตรงนั้นแล้วก็ว่าประโยชน์จริงๆในการใช้นะ่ะแค่ไหนไม่ใช่ใช่เพื่ออะไรนะเพื่อตัณหาเพื่อความมัวเมาเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อสนุกสนานอะไรเนะี่ย แท้จริงเพื่อป้องกันยุงเอ่ยลิ้นเอ่ยลายเอ่ยแดดเอ่ยลมเอ่ยใช่ไหมเพื่อความอยู่ได้ของอัตภาพนี้โดยวัตถุประสงค์เพื่ออนุเคราะห์พมจันนะไปดูในศูนย์จะมีทุกเรื่องเลยการพิจารณาปัจจัยสีนั่นแหละเราได้เคยพิจารณาอย่างนั้นไหมถ้าพิจารณาอย่างนั้นก็เรียกพอจะกันปัญหาได้บ้างทีนี้ถ้าคารวาดเลยเขาไม่เคยทําเลยมีไหมที่จะไม่ยึดยากมากโอกาสที่จะโอกาสที่จะพ้นเนี่ย ถ้าพูดกันโดยตรงก็คือถ้าหากว่าโอกาสที่จะพ้นเนี่ยยากมากโดยมากก็เฝ้ากันชัดเจนเลยถ้าพูดกันโดยตรงก็คือเฝ้าแน่โอกาสเฝ้าสูงมากมีมีสองก็บอกว่าคาวาสในกรณคนที่ไปใบยภูมึงเยอะไงเยอะฮะรวมพวกเราด้วยโอกาสไปอบยภูมิสูงมากถ้าไม่ได้กําหนดพิจารณาอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่ทำเล่นๆนะของตรงเนี้ย ไม่ได้เลยครับมันติดจริงไม่จริงเนียวโดยแล้วตัวจริงไว้เนี่ยถ้าไปพิจารณาบ่อยๆแล้วยากยากที่จะถ่ายทอดไม่ใช่ง่ายๆเล ย, ย, ลยนนก็ให้กันให้ได้คือได้ที่ข้าว่าการว่าสติมันจะเกิดขึ้นในการพิจารณาตรงนี้และสัมปชัญญะจะเกิดใช่ไหมคําว่าการสติจะ ก, การตัณหาได้การกระแสคือตัณหาไง เพราะกระแสคือตัณหาเนี่ยมันจะไหลไปทุกๆุอารมณ์ใช่ท่านในสูตรที่อย่างท่านพระชเชี่ยพระอาชิตาท่านอาชิตาถามพระพุทธเจ้าเนี่ยข้าแต่พระองค์พู้เจริญเนี่ยว่ากระแสใช่ถามว่าอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นพระพุทธเจ้าใช้ตอบบอกว่าสติเป็นเครื่องกั้นกระแสกระแสคือตัณหาไงเนี่ยในที่นี้กระแสคือตัณหา เพราะกระแสะคือกิเลสกระแสคือตัณหากระแสคือทิฏฐิกระแสะคืออวิชชากระแสะคือทุจริต ก, กรรมทั้งหลายเนี่ยกระแสะเหล่านี้จะการได้ด้วยสติทีนี้สติที่จะการได้ก็คือการพิจารณาตัวนี้เลยถามวัชจรากระแสะเหล่านั้นได้ก็ต้องละด้วยปัญญาปัญญาในมากเนื้ละเด็ดขาดสติที่ไปการกระแสะตรงนี้คิดว่าสติกับสติปัญญาเป็นอ่าเป็นอินเดียสังวรครับกาเป็นศีล ก็เป็นศีลใช่การพิจารณาปจัจจเวกเป็นศีลนรันเป็นอินเตอร์ยียสังวรงั้นบางทีเราเราไม่มีตรงนี้เสียเลย อ, อย่าคิดอย่าแปลกใจว่าทําไมทําไม ว, วันวันมันฟุ้งอะ่ะถ้าคนพิจารณาอย่างนี้มีไหมที่จะฟุง้งจะไม่ฟุ้งเลยมันจะการตั้นหาได้จะการตั้นหาได้การกีเลยได้ถ้าบอกวันนี้เครียดเนี่ยรู้ว่าไงยมรลี อวันนี้เครียดเหลือเกินเนี่ยรู้ชัดเลยเนี่ยไม่ได้พิจารณาไม่อยากพูดอะไรพูดเลยและในกลุ่มของคนที่ไม่ค่อยพิจารณาเนี่ยครับมีปากสากพูดเลยและหรือว่าอยากนึกอะไรได้ไปเลยไปเตลิดไปทุกเรื่องเลยไม่ได้กําหนดรู้ไม่ได้พิจารณาแยกแยกจะใช้อะไรก็ยังไม่ได้พิจารณานั้นเลยก็ลงหลงลืมลืมในกลุ่มพวกนี้จะหลงลืมแล้วก็จะบ่นอยู่เรื่อยว่าทำไมลืมนู่นลืมนี้อยู่เรื่อยไม่ไม่ได้พิจารณานี่เป็นงี้ นี่แหละลักษณะอย่างนี้กรรมถ้าโลภะเกิดขึ้นอยู่ไหมชวนะดวงแรกก็เป็นทิฏฐาธรรมเวทนียกรรมดวงที่เจ็ก็เป็นอุปชาวเวทนียกรรมเนี่ยผลก็ต่างกันออกไปทิฏฐาธรรมเวทนียกรรมคือพบนี่เลยนะถ้าเราได้โอกาสในการให้ผลเนี่ยก็คือพบนี่เลยในพบนี่เลยทั้งทั้งกุศลอกุศลอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าชาวนะดวงที่สองถึงดวงที่หก็เป็นอัปราปราเวทนียกรรมไอ้ทีตรงนี้ก็ดูตรงนั้น ให้ผลในพบที่สามเป็นต้นไปทีนี้เราก็ดูกรรมเปรียบเทียบไปด้วยนะตรงนี้ก็ได้ประโยชน์ในการดูเรียนรู้วิถีตรงนี้ไปน้องที่สอง น, นี่เป็นนี้ถึงบอกว่าถ้าถ้าเป็นกุศลเนี่ยมันก็น่าชื่นใจเลยใช่ไหมฮะถ้าเป็นตรึกให้เป็นพิจารณาให้เป็นถ้าเป็นกุศลเนี่ยมันน่าชื่นใจเลยครับโอ้มันมันน่าชื่นใจจริงๆนะวันวันหนึน่งเราจะได้จะบุญทุกๆอารมณ์ที่มา ท, ท, ที่ตรึกถึงเลยไงี้ลองคิดดูดีถ้าทําได้เนะ ชีวิตมันน่าจะเบิกบานเช่อมชื่นแล้วก็โอ้โหมีความสุขซะบานใดถ้าคนรู้จักการที่จะพิจารณาให้ดีเนี่ยเป็นแหล่งค้าบุญอย่างมหายาสมหาศาลเลยอ่ะค่าบุญอย่างมหาศาลเลยนะเราลองตรึกพิจารณาดูให้เป็นบุญดูทีใช่ไหมมันเป็นแหล่งค้าบุญอย่างมากๆเลยถ้าคิดเป็นเนะ่ยยังตัวมองเห็นเนี่ยยังว่าเนี่ยคือสมบัติเราได้แล้วนะ ใช่ไหมแต่ถามว่าคนถ้าพิจารณาไม่เป็นหรือไม่รอบรู้ในการพิจารณานี่จะทํำยังไงเอาอย่างว่าคนไม่มีไม่รู้เรื่องจะคิดเลยเนี่ยวิธีปัจจุบันนี้ก็ได้ถามพูดกันง่ายๆคือบอกว่าเอาไปทำบุญที่นั่นนึกออกไหมเนี่ยนึกออกนั่นก็ต้องให้คนนําล่องอย่างนี้เลยแต่ถ้าในกลุ่มที่เรียนวิถีดีแล้วเนี่ยเรียนจิตมาเป็นอย่างดีแล้วอะไรแล้วเนี่ยลองคิดดูจะรอบรู้เพียงใดว่า ง, งั้นเถอะ ใช่แล้วก็ตึกดูอารมณ์ใดนี่มันก็ชัดเจนเน่เป็นทั้งอาสังคาริกด้วยซ้เป็นยานสะสมบูรณ์ด้วยไม่ใช่วิปปุญต์นะเขาบอกให้อะไรนึกอะไรก็นึกตามนึกตามท่านั้นท่อนนั้นก็นึกไม่ออกอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่อย่างนี้ก็เป็นเป็นใ น, นาพิจารณาพิจารณาเป็นเนี่ยกุศลจะเกิดได้ตลอดเลยทีนี้ ถามว่ากุศนใครจะเกิดได้ยาวไกลขนาดไหนบางคนได้แวบเดียวแค่นั้นน ะ, นะนะอธัธยาศัยมันไม่ถึงนึกได้แวบเดียวมันก็ขาดตอนอะแล้วนึกไงก็ไม่ออกนึกไงก็ไม่ออกบางทีพวกตามสอนให้นึกอย่างเราแองเนะี้ยมีจริงๆนะครับบอกคอยตอมว่านนมันใช่อยู่หรืออะไรเงี้ย อ, อใจไม่น้อมที่จะไปเพราะตนเองชํานาญอีกอย่างนี้ยมามันชํานาญอีกเรื่องเนี่ยไอเรื่องที่ตนเองชํานาญมันคนละเรื่องเลยนี่เป็นอย่างนี้ก็ เขาบอกฉลาดคิดนีนะถ้าฉลาดคิดบุญก็เกิดทีนี้ถ้าหากจะตึกคิดเอาอย่างเดียวบางทีก็ไม่ค่อยชัดใช่ไหมอะไรทเลยเลยดียวนี้วิธีกา ร, รก็คือต้องทำทำเป็นกายกรรมวจีกรรมออกมาเอาสายทยายใช่ไหมถ้าสายทายแล้วก็เริ่มตามอะไรนี้อย่างงดเราท่องเนี่ยหรือในขณะที่ดูโยมตุ๋ยเวลาดูวิถีเนี่ย นั่งดูคิดว่าจิตเป็นบุญไหมอยู่ที่อยู่ที่ดูแล้วคิดถูกหรือเปล่าใช่ไหมอยู่ตรงนั้นจริงๆริงเอาเหมือนกับที่นั่งดูกันเนี่ยเอาทำไมบางคนดูกลับมาแล้วปวดหัวเลยมั่งไหมดูดูเรื่องแบบบุญเนี่ยแจะปวดหัวไม่ใช่บุญแล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยมือชี้หัวได้เลยบอกนี้ไม่ใช่ถ้ามันเป็นเนี่ยเราก็เคยเป็นกันอะอย่างเงี้ยอ่านธรรมะจะปวดหัวอย่างเงี้ย ไม่ใช่แล้วอยางี้ศึกษาพระธรรผิดชัด <c oughs> เป็นกันบ่อยเลยมั้ยนั่งแปลบาลีเนี่ยแปลไปแปรมาปวดหัวไหมนี่ผิดมันไม่ใช่การศึกษาพระธรรมมันจะปวดหัวไม่ได้ <c oughs> ไม่ใช่แล้วเราเราตรึกผิดไงพิจารณาผิดแล้วเหมือนท่องเนี่ยเอาท่องท่องท่ อ, ทอกันไปเนี่ยท่องไปท่องมาเครียดปวดหัวงวงมันไม่ใช่โอ้จะศึกษาเนี่ตรึกผิดเสียหายแล้ว ต้องแก้ไขวิธีคิดต้องแก้ไขทันทีเลยแก้ไขใหม่แก้ไขใหม่เรื่อยเรือเดี๋ยวที่สุดจริงๆก็จะรู้ว่าไอ้ที่กุศลเกิดขึ้นแล้วแล้วในขณนะ ด, ดูเนี่ยเป็นยังไงเอาใครวางจิตได้ยังตอนเนี้ยอาทํำยังไงลองบอกหน่อยดิสังเกตดูนะนี่ให้สังเกตดูลักษณะนะั้นทีนี้อะดูต่อนะในวิภูตารงวิถีวิถีที่ปรากฏทางใจชัดนี่นะในวิถีนี้กล่าวเพียง กามาชาวนะยี่สิบเก้าเป็นตัวบ่งบอกว่าตัวมโนทวารวชนะในยี่สิบเก้าดวงเนี่ยมโนทวารวชนะนั้นเป็นปัจจัยอุปการะในฐานะเป็นอนันตระปัจจัยสำนันตระเป็นต้นเนี่ยเนี่ยถามว่ามโนทวารวชนะเนี่เป็นตัวสำคัญไหมบรกอสำคัญในการอาวัชนะเพื่อจะให้ชวนะเหล่านี้เนี่ยเป็นไปที่ชัดเจนที่สุดก็คือว่า ชาวนาที่เป็นอกุศลชาวนะแล้วก็กุศลโยนะเว้นกิริยาชาวนะที่เป็นของพระละหันออกไปทั้งๆที่ก็เป็นได้แต่ว่าถามที่เว้นในขณะนี้ตรงนี้ต้องการแยกให้เห็นก่อนว่าตัวอวชนะในที่เป็นโยนิโสโยนิโสเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยกับชาวนาเหล่านี้แต่ถ้าเป็นกรรมกิริยาชาวนะของพระลรหันแล้วก็มโนทวารอาวชนะก็ทำหน้าที่อาวชนะอยู่แล้วแต่พระลรหันเหล่านั้นท่านก็หมดกิจในการที่จะจะ ทำจิตเป็นกุศลนกุศลเลยเพราะท่านรอบรู้ในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นชัดเจนอยู่เลยก็แต่ถ้าหากว่าเป็นอย่างเราๆท่านๆทั้งหลายนี่ก็เนี่ยตัวมโนถวัลวชิะหรือสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังมีกิเลสนอนอยู่ในขันเนี่ยเนี่ยแช่อยู่ในขันอยู่ก็เนี่ยไอตัวมโนทวาัรยาวชนระนี่เป็นประเด็นสําคัญมากเป็นปัจจัยเกิดบุญหรือบาปก็ดังที่ได้กล่าวแล้วตาธาลามนะจิตก็เกิดสองขณะแล้วก็ลงกระแสผวังไป แล้วขึ้นละอารมณม์อย่างนี้เป็นต้นนี่น่อนะอภการต่อมาคือวิภูอวิภูตารมวิถีในอวิภูตารมวิถีนี่ก็ในคาถาที่23ในคาถาที่23ที่บอกว่าอาวิภูเตปนารมณ์เนชนาวเสเนพระวังคปาตวะโคตินัติตาธรรมนุปปาโทติเ็แปลความว่าส่วนอารมณ์ทั้งห ที่ไม่ปรากฏชัดนั้นจิตลงสู่ผวังอย่างเดียวในที่สุดแห่งชวนะเห็นไหมเขาแปลสั้ น, นจิตลงสู่ผวังในที่สุดแห่งชวนะลงผวังเลยไม่ใช่ไหมตทารมนุปาโทติเนี่ยแปลว่าตถาณฑ์นัทธิตถารมนุปาโทตินี่เข ก, การเกิดขึ้นของตทารรมนะเนี่ยไม่มีเลยไม่มีทําไมถึงบอกว่าไม่มีเพราะอารมณ์ไม่ปรากฏชัดอารมณ์เท่าไหร่บอกอารมณ์6 อารมณ์หกอารมณ์หก ม, มีอะไรรูปารมณ์ศัทธาอารมณ์คันธารมณ์รสาอารมณ์โหดถารมณ์และธรรมาลมใช่ไหมไม่ปรากฏชัดไม่เหมือนกับวิถีที่ผ่านมาใช่ไหมในวิถีที่ผ่านมาที่เป็นวิภูตารมณวิถีอันนั้นอารมณ์ปรากฏชัดนี่เป็นอย่างนี้ถ้าเราย้อนไปดูในวิถีที่ผ่านมาดิในวิถีที่คาถาที่ยีิบสองอะถ้าคําแปลเขาบอกว่าส่วนอารมณ์ทั้งหกที่ปรากฏชัดถี่ไหมต่างกันเลยไหม อันนั้นที่ปรากฏชัดถ้ามาถึงมโนทวารวัชนะแล้วก็แปลว่าถ้าหากรูปารมณ์สัทธารมณ์คันตารมณ์รัสรมณ์โหดถารมณ์หรือธรรมารมณ์เนี่ยมาถึงอะไรมาถึงมโนทวารวัชนะแล้วด้วยเหตุนี้แต่ทารมณ์วิปากจิตเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นก็แปลว่า11ดวงอะแต่ทารมณ์ย่อมเกิดขึ้นในที่สุดแห่งพระวังพระจรณะมโนทวารวัชนะก็เกิดใช่ไหมคือถ้าที่สุดแห่ง เพราะวังไหวก็แปลว่าอารมณ์นั้นน่ะแท้จริงก็ถามว่าโมโนทวารเราชนะได่เป็นตัวอาวัชนะอารมณ์อารมณ์นั้นจะไกลขนาดไหนอารมณ์นั้นจะเป็นอดีตยาวนานขนาดไหนใช่ไหมหรือจะเป็นอนาคตเงี้ยจะเป็นปัจจุบันอดีตอนาคตเนี่ยไปได้นะวงั้นฉะนั้นมโนทวารเาชนะนี้เกิดต่อมาแล้วก็ชาวนาะต่อจากชาวนาะดับจิตก็ลงสู่ ต่อจากตาธารมณะจิตดับลงจิตก็ลงสู่ผวังเนี่ยต่างกันต่างกันตรงว่าในวิถีที่วิภูตารม์นั้นอารมณ์ปรากฏชัดอารมณ์อะไรบอกอารมณ์หกเนี่ยปรากฏชัดส่วนอันนี้ปรากฏไม่ชัดนี่นเป็นอย่างนี้นะอารมณ์ที่ปรากฏชัดอไม่ชัดเนี่ยะไรเป็นเกอะไรเป็นเกณฑ์ ก็คือตรงนี้ก็คืออย่างนี้ถามว่าไม่อาวิภูตารมวิถีเนี่ยก็ปแปล ว, ว่าอารมณ์ที่อารมณ์หกนี่อารมณ์หกที่ไม่ปรากฏชัดจิตลงสู่ผวังอย่างเดียวในที่สุดแห่งเชาวนาะก็หมายความว่าเราดูว่าตัววิถีนั้นน่ยที่สุดแห่งเชาวนาลงลงผวางทีนี้ถามว่าตรงนั้นการเกิดขึ้นของแต่ละลำหน้าจิตยังไม่มีเนี่ยทีนี้ถามบอกว่า ชัดหรือไม่ชัดเนี่ยเอาอะไรเป็นตัวกำหนดในการกำหนดในที่นี้ถามถ้าถามวิถีก็ต้องบอกว่าวิภูตาลมวิถีต้องถือว่าถ้าเป็นวิภูตาลมวิถีเนี่ยวิถีนั้นไม่มีก็ได้วิภูตาลมวิถีนะไอ้คำว่าเหตุเกิดเหตุขัดข้องมันมีอีกเยอะแต่ผลปรากฏว่าจะต้องเป็นวิภูตาลมวิถีก็แล้วกันถ้าในวิธรรมาันตสังหาเนี่ยเนีคือจะต้องเป็นวิภูตาลมวิถี พอถ้ า, าเป็นวิปูตารมวิถีแล้วเนี่ยวิถีนั้นจะต้องชัดที่ตรงแล้วว่าทําไมถึงเป็นวิปูตามวิถีทำไมถึงเป็นเอาวิปูตา ม, มวิมถีก็เพราะว่าอารมณ์โกปรากฏชัดก็จะเป็นวิภูตาลใช่ใช่ถ้าอารมณ์โกกไม่ปรากฏชัด <c oughs> ก็จะเป็นอวิปูตาลใน น, น, นั่นชัดเจนยังไงแล้วก็ถามต่อว่าเอาอะไรมาเป็นข้อกําหนดว่าอารมณ์ไหนชัดอารมณ์ไหนไม่ชัดเอาตัวมโนทวารชนะ ตัวมโนทวารวัชนะในการที่เขาอาวัชนะอารมณ์เนี่ยเขาอาวัชนะยังไงตัวนี้เป็นตัวเพราะว่าจิตดวงนี้เป็นจิตที่ใหญ่มีกําลังแรงอยู่แล้วในการที่จะในการที่จะอาวัชนะอารมณ์ใช่คืออย่างนี้ถ้าทางถ้าทางปัญจาทวารวิถีอารมณ์นั้นเป็นปัจจุบัน ก็แปลว่าวิถีจิตนั้นก็จะต้องอาศัยอารมณ์เป็นใหญ่แต่ถ้าทางมโนทวารวิถีอาศัยจิตและเจตสิกเป็นใหญ่ฉะนั้นเมื่อจิตเจตสิกต่างหากจึงไม่ได้เกี่ยวกับในเรื่องของทางว่าอารมณ์นั้นจะมาหรือไม่มาจะเข้ามาสู่คลองหรือไม่เข้าเพราะว่าการปารลบของจิตและเจตสิกในขณนะนั้นใช่ไหมว่าปารลได้แค่ไหนอย่างไร ได้ใช่ได้ไ ด, ได้สิในขณะที่รับบัญญัติในขณะรับอดีตอนาคตอในขณะที่รับนิพพานอีกมากมายไ ม, ไม่ใช่ไม่ใช่อดีตนอนาคต ร, รับบัญญัติหรือว่ารับมหาคตตะหรือว่ารับนิพพานอย่างนี้เป็นต้นเหล่านี้ก็ไม่มีตถากรรมนะอีกมากมายหรือเกิดในอรมปะภูมิเกิดในรูประภูมิไม่มีตถากรรมนะทั้งนั้น ทีนี้ส่วนวิภูตารมวิถีเนี่ยนยะดูเออวิภูตารมวิถีให้สังเกตดูผวังกจิตมีสิบเก้าใช่ไหมวเวขาสันติแดนะจิตสองมหาวิปากจิตแปดมหคตาวิปากจิตเก้ารวมเป็นผะวังกจิตสิบเก้าตอนนี้ทําไมจึงได้สิบเก้าเพราะไม่มีแต่ทารามะนะอันนี้เนี่ยนี่ตรงนี้ นี่ต้องการจะแยกในวิธีนี้นในในพิธ ร, รมะสังหารีท่านไม่ได้ขยายนะครับไม่ได้ขยายโปรดเข้าใจอย่างนั้นเป็นมโนทวารเราชนะเป็นการมาเชลนะ29เหมือนกันแล้วก็ลงรวังสิบเไปตามเดิม น, นี่เป็นอย่างนี้ทีนี้พอมาพูดถึงตรงนี้ก็เชื่อมโยงอนครั้งที่แล้วนิดนึงครั้งที่แล้วได้พูดถึงอะไรเนียใครยังพอจำได้ไหมที่ยก ไอ้ความเกิดขึ้นของต่ทารามานะยังพอจะจำได้ไหมการเกิดขึ้นของต่ทารามนะยังพอจำได้ไหมที่การเกิดขึ้นของต่ทารมามนะหนุชิจจำได้ไหมต่ทารามะเกิดขึ้นตามสิทของโลกใช่สามอยาเอออะไรใครจำได้ลงแต่ทารามานะนั้นอนะ่ะองค์ที่จะทำให้เกิดต่ทารามานะจิตได้นั้นก็มีสามอย่างใช่ไหมต้องเป็นการมบุคคลต้องเป็นกามชวนะ อารมณ์นั้นต้องเป็นกามะอารมณ์นะก็จับประเด็นสามอย่างนี้ก็ไว้แต่ครั้งที่แล้วก่อนหน้านั้นได้พูดถึงตถารมนะสองชนิดไว้ตามอีกคำวีหนึ่งที่ท่านพูดเขาไว้ใช่ไหมพอจําได้ไหมที่เรียกว่ามูลตถาธรรมะกับอาคารตุกตะตถารมนะคือจัดตถารมนะไว้เป็นสองชนิดทําไมจึงจัดตถารมนะเป็นสองชนิดอย่างนั้นพอจะนึกภาพออกไหมตรงเนี้แต่ปฏิสนธิจิต คือปฏิสน่นที่จิตที่ทำปฏิสน่นที่ิจในพบนี้แล้วแต่ต่อไปาถึงในประวัติการเนี่ยก็มาทำแต่ทารัมนากิตแต่ทาราัมนกิตนี้เรียกว่ามูลตตทารมนาจำได้ไห้ไออย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติมหานุชิตนะสมมุตินี่นะปฏิสนทีมาด้วยมหวาวิมหายบากดวงที่สี่สมมุตินะไอมหาวิบากดวงที่ 4, สมมนะี่ 4, เนี่ยทำกิตปฏิสนที่วัง และต่อไปก็จะต้องคอยทําหน้าที่จุติในภพนั้นๆของท่านมานุชิตเนี่ยแต่ถ้าถามในประวัติการล่ะไอ้รัตปฏิสนเทศดวงเนี้ยก็มา ท, ทําหน้าที่แตทาเรานะด้วยใช่ไหมใช่เพราะเขาทําตตารมนากิจ ด, ด้วยนี่ลักษณะอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าไปรับอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้ตตารำนะดวงนี้เกิดคือมหายบากดวงที่สี่เกิดเวลาใดเวลานั้นเขาเรียกว่ามูลตตารมนากิจ มองออกไหมคือไอ้ตัววิบากของเราดวงนั้นน่ะต่อมามาทำกิจในฐานน้เป็นแตทาทำน้กกิจให้กับเราเรียกว่ามูลลตทารมนะมองออกไหมเงี้ยเรียกมูลแตทาทำนะยมรีมองออกไหมทำไมจึงเรียกว่ามูลตตทารมนะนีะ่เขาเรียกมูลตตทารมนะต่อมาเนี่ยก็คือทุกคนมีสิทธิ์มีมูลตทาทำนะเกิด ก็แปลว่าไอ้ตัวพวังอันนั้นเนี่ยที่เคยทำหน้าท ah ี ah ่ปฏ ah ิสนธิอย ah ู ah ่ต ah. ่อมาก็มาทำหน้าที่แต่ทาธรรมนั้นให้สัตว์คนนะใช่ไหมใช่พจที่อาารบอกว่าเมื่อเราปฏิสนแล้วเรามีตัดทาเรามาได้หรือไม่คือมีผวังนั่นเองตอนนั้นนี่ยยังไม่ได้ทำหน้าที่แต่ทาเรามาแล้อก็ทำหน้าที่นาหน้าที่ปฏิสนีิก่อนไง อย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าสมสมติมนุษย์เนี่ยเกิดมาก็ต้องหายบากดวงใดดวงหนึ่ง<ช>คือมหาบากแปดเนี่ยก็ทํากิจได้สี่กิจทําปฏิสนธิกิจกัภวังกกิจจุติกิจแล้วก็แต่ธารุนากิจ<ช>เห็นไหมทีนี้พอต่อมาทำหน้าที่ปฏิสนธิหลังจากนั้นก็ทําหน้าที่เป็นภวังมาตามลําดับเพราะสัตว์เหล่านั้นจเจริญเติบโตขึ้นมาในฐานะที่แต่ธารณนกิจจะเกิด นิยตารำนะจิตก็เกิดเมื่อปารบอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งเป็นไปตามอารมณ์นั้นทีนี้ถ้าอารมณ์เหล่านั้นมันสอดคล้องที่จะเป็นปัจจัยให้กับตถาะไอ์ผวังดวงที่ทําเกิดเนี่ยดวงที่ทํากิจเกิดของท่านพูดนั้นน่ยที่จะทําให้เกิดขึ้นผวังดวงนั้นก็มาทํากิจในฐานะเป็นตทารมนะจึงเรียกว่ามูลตท า, าตะเรามนนะตทาะเรนานะที่เคยทํากิจปฏิสนธที่มาแล้ว แล้วเขามาทำกิจในการรับอารมณ์ต่อจากโชนะของสัตว์เหล่านั้นมองเห็นอยม่ไหมจาตัวเห็นไหมเนี่ยก็ได้เขาทำกิจได้สี่กิจจำได้อย่างจุลโทรนี่จุลโทรนคือแต่ละคนนี่มีมูลตะทาล้วนะดูดวงเดียวเนื้อทีนี้ต่อมาอย่างเนี้ย ถ้าตถาธรรมนกิจที่เหลือสมมุติว่าเอามีสิทธิ์ใช้ตถาธรรมนะได้สิบอ็ดวงใช่ไหมหนึ่งดวงของตถาธรรมนาะกิจจะเป็นมูลตถาธรรมนะที่เหลือนอกนั้นอีกสิบเป็นอาคันตุกะตถาธารมนะเอาทำไมจึงเรียกอาคันตุกะตถาธรรมน่ะเพราะเป็นตถาธรรมน่ะที่จอดมาเพราะไม่ใช่เป็นตถาธรรมน่ะประจำตัวของสัตว์เหล่านั้นเขาเรียกอาคันตุกะตถาธรรมนะ นี่สัญจาดอย่างนี้ในประวัติการนะที่เกิดในวัติการนะใช่ไหมตถารำหน้าจะเป็นตถารำหน้าจอนมาทำกิจเพราะแต่ละคนนี่มีมูลตถารำหน้าประจำตัวกันอยู่แล้ ว, นวคนละหนึ่งดวงแต่เราไม่รู้ว่าของเขาของใครดวงไลยจองไว้ยังว่าดวงไหนชัดแน่เลยถ้าเราต้องดวงนี้ดวงนี้ดวงไหนยอมที่คิดว่าเป็นเป็นมูลตถารำหน้าของตนเองเนี่ย อาตรงไหนเดียอาดวงแรกเลยเลยพบนี้ใช่ไหมเนี่ย<แค>นี่เป็นนี่นคือในลักษณะของตาตารำน้าเนี่ยอันนี้พูดถึงวิภูตารม์ที่ผ่านมานั่นแต่ในที่นี้กําลังพูดในเรื่องของอวิภูตารม์อยู่คือต้องการตรงนี้เราจะได้เห็น <S <S เห็นความเป็นไปของตาตาลำนะบ้างถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะ ศึกษาตถาลัณะที่ไปดูคาถานั้นแล้วเดี๋ยวจะไม่ไม่ไม่ไมชัด น, น, น, นี่นเป็นอย่างนี้นีคือตถาลัมณะนี่โยมเอาต่อมาดูคาถาที่ยีสี่ต่อคาถาที่ยีสี่ต่อในคาถาที่ยี่ี่นี่นะแสดงวาระทั้งสี่และวิศยประวติตามอัตกถาแล้วก็ดีกาในยีสี่เนี่นะอิมัสเมิงมโนทวาเรปิตถาลัมมนาเชาวนาโวทัพ พนาโมคะวาระสังขาตานังจะตุนนางวารานังยถากมังอารามณูอารมามณพูตาวิสยาประวติจะตุทาเวทิตภาเขาพแปลความว่าพึงทราบในกามชาวนามโนทวารวิถีก็มีวิสยาประวติสี่ที่เป็นอารมณ์ของวาระทั้งสี่ซึ่งก็ได้แก่แตทารมามณวาระ ชวนาวาระวอดทพนาวาระและโมฆะวาระตามลำดับอันนี้แสดงถึงถึงวาระนี่ท่านก็ยกวิถีมาให้ดูเลยนะยกวิถีมาให้ดูเลยในคาถาที่ยี่บสี่ในเมื่อยกขึ้นมาตอนนี้ก็ดูคาถาที่ยี่สิบห้าต่อเลยทีนี้ดูคาถาที่ยี่ห้าต่อเลยเพราะในคาถาที่ยี่สิบห้าคาถาที่ยี่ห้าก็คือ ตัทาตทธารมณาวารั ส, สะอารมณาภูตาอติวิภูตานามะชวนาร ส, สะวิภูตานามะโวัฏทนะัพณะวาร ส, สะอวิภูตานามะโมฆาวาร ส, สะอารมณาภูตาอติวิภูตานามาติโยเชตภาเข า, าแปลความว่า ในบรรดาวิสยาประวติทั้งสี่เหล่านั้นวิสยาปวติที่เป็นอารมณ์ของตถารรมนาระชื่ออติวิภูตารมวิถีวิสยาปวติที่เป็นอารมณ์ของชาวนาระชื่อว่าวิภูตารมวิถีวิสยาปวติที่เป็นอารมณ์ของวุฒภณวาระชื่อว่าอวิภูตารมวิถีและวิสยาปวติที่เป็นอารมณ์ของโมคะวาระชื่อว่า อติอวิภูตารมวิถีการประกอบกันระหว่างวาระทั้งสี่กับวิศยาประวติทั้งสี่ในกาเมชวนามโนทวานมีตามลําดับดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้นี่ท่านว่าอย่างนั้นเนีเออก็มาดูในวิถีแล้วก็ดูในวาระในหน้าที่สิบห้าในอติวิภูตารมวิถีจะลงตทารรมนาวาระเนีย ในวิถีนี้ก็เป็นตามเนยยะของอัตถกถาดีกาตามอัตถกถาในตอนอัตถกถาและดีกาก็คือการขยายขยายจากอภิธรรมมัทธสังคหาเนีนถ้าเราเรียนตามอภิธรรมมัทธสังคหาเนี่ยคิดว่าจะเข้าใจไหมเนี่ยก็ <c oughs> เรียนย่อๆไม่น่าจะเข้าใจกันเนะ้อฉะนั้นอย่างพวกเราต้องประเภทที่ขยายแล้วขยายอีกเนี่ยขนาดขยายทั้งหลายรอบแล้วลืมเนะ <c oughs> ลืมเลยละ ขยายหลายรอบก็ลืมทุกทีทีนี้เอาดูงี้ในวิถีนี้ให้สังเกตดูว่าอัตติอวิบูตารมวิถีตทารรมนวาละเนี่ยเหมือนกันกับวิบูตารมวิถีเลยนะเหมือนไหมเหมือนด้วเหมือนตามอภิธรรมวัฏสงหาคล้ายกันไหยก็คล้ายกันเป็นกาลมาภวังสิบมโนทวาราวัชนะหนึ่งแล้ว ก, กาลมาโชนะยีบเกลงตทารรมนาจิอ็ดแล้วก็เป็นภวังกาลมาภวังสิบนี่นะทีนี้อันนี้เป็นตทารรมนาวาละ คือสิ้นสุดลงตรงที่แต่ทาตุนะส่วนวิภูตารมวิถีเป็นชาวนาวาละอันนี้เป็นกามะเป็นผวางังสิบเ้าอุเบคาสองมหายบาก8ปดลูกแล้วก็มหากรยุบาสเก้กามะชวนายี่สิบก็ลงผวังอันนี้เป็นชาวนาวาละอันนี้มีมากหน่อยส่วนตัวเราศึกษากันโดยมากเอาอัตกฐานใดไปศึกษาเนะียแต่เราก็ต้องจําอยู่แล้วพวกเนี้ย เวลาท่านให้กล่าวและเขียนวิถีตามอภิธรรมัทสังหาหรืออภิธรรมัถวิตามอัตถกาลหรือดีกาเนี่ยอันนี้ก็ก็ดู้ดีส่วนอาวิภูตารมวิถีโวตทพนาวาราเนี่ยหรือมโนทวาราวัชนะวาราเนี่ยนะแต่เขาจะเรียกโวอดทพนาวารานะครับเป็นผวังกจิสิบเก้าผวังหน้าและผวังหลังเป็นมโนทวาราวชนะสองขณะแล้วก็ลงผวังไป เป็นวิถียังไงก็ก็เหมือนกับทางก็เหมือนกันเอ่อก็เหมือนน่เหมือนวัฏฐปนาวาละทางปัญจถวารวิถีนั้นส่วนที่มีแต่พระวังกัจจารณะเท่านั้นน่ะอันนั้นเป็นโมคะวาละเป็นอติอวิภูตารมวิถีเดไปดูความหมายของเขาที่ท่านกล่าวไว้บอกว่าอวิภูตาอติวิภูตารมวิถีก็หมายความว่า อารมณ์ท le um ี่ปรากฏชัดในทางใจมากที่สุดนี่อารมณ์ที่ปรากฏชัดในทางใจมากที่สุดจะรงตารมนาวาละนี่ปรากฏชัดในทางใจมากที่สุดส่วนวิภูตารมณ์วิถีก็หมายความว่าอารมณ์ที่ปรากฏชัดในทางใจไม่ไม่ไม่ใช้คําว่ามากปรากฏชัดวิภูตาหรือวิภูตานี่แปลว่าชัดไหมปาวิภูตารลมเนี่ยวิภูตารมนีอารมณ์ที่ปรากฏชัดแต่ถ้าเอาตินี่อตินี่ชัดอย่างยิ่ง ชัดอย่างมากนี่แล้วก็อวิภูตารมวิถีก็อ า, ารมณ์ที่ไม่ปรากฏชัดในทางใจไม่ปรากฏชัดอา จ, จะชัดได้ยังไงเพราะมีแต่มโนทวารลวชนะเท่านั้นรู้เรื่องได้ไหมถ้ามโนทวารลวชนะเกิดขึ้นแต่ชวนะไม่เกิดฮะไม่รู้ <laughs> รนะเนือ ไ, ไม่สามารถจะไม่เป็นกรรมเกิดอย่างนี้ดีไหมเกิดมีแต่มโนมโนแล้วก็ชวนะไม่เกิดเนี่ยดีไหมชีวิต ถ้าทําบาปดีก็ว่างันนะแต่ถ้าทําบุญแล้วไม่ดีเลยถ้าตรึกบาปปตรึกไปมโนมโน ง, ง, งี้ย น, น่ยดูเหมือนจะไม่มีผลเพียงแต่เป็นปากตูได้เอาเป็นปากตูยังไงเอาเราตรึกเป็นอวิภูตารมิถีเนี่ยนะอันนี้มาดูวัฒนาวาราก่อนเลยนะแล้วตรึกแบบคิดแบบเป็นอวิภูตารมิถีเรื่อยๆแต่การคิดนั้นน่ะน้อมไปในเรื่องบาปแต่น้อมอย่างอ่อนที่สุดเนี่ยอ้อมอ่อนจนไม่สามารถ ดีหรือเป็นปัจจัยให้กระชวนะเกิดขึ้นต่อได้ตึกอย่างนี้ดีไหมตึกบ่อยๆที่สุดเนี่ยดูเหมือนยังไม่มีผลใช่ไหมแต่ที่ไหนได้มีผลไปมีผลตรงไหนหรู้ไหมตอนที่เป็นอติอุภูตารมวิถีอะ่ะโอยง่ายต่อการที่จะน้อมหาบาปเลยวใช่ไหมเพราะมันโนทว่าเราชนะฝึกยนเคยชินแล้วเริ่มฝึกมาจากอ่อนๆมาจนเน่ยตึกหรือน้ อ, นอมน้อมจิตเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ย ปารบรูปารลมบั่งศรัทธารมคันธารมลาสารมโผูดัพพลมและธรมรมารมปารบรมณ์หกเนี้ยอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างปารบอยู่งั้นเนี่ยพยายามจะน้อมให้บาปเกิดแต่ไม่เกิดสักทีในี่ยเดี๋ยวเหอะ <c oughs> เดี๋ยวจะมีโอกาสมีจังหวะมีเวลาในการที่จะผลิตบาปเกิดแล้วโอ้โหจะตามมาอีกเยอะเลยแล้วก็จะน้อม ง, ง่ายมาก ๋ย่าอี่าแปลกใจว่าทําไมบางคนเนี่ยพูดดีเขาก็คิดเป็นเป็นบาปเราพูดดีๆเนี่ยเขาเห็นไหมเราพยายามจะบอกดีๆนี่นะตั้งใจไปดีๆอะ่ะ เ, เขามองเราบิดมองเสียหายอะเงยมองระแวงนี่แหละเป็นผีแผลทํายากเหมือนกัน น, นี่เป็นนี้คือจิตเขาพร้อมมากคุยกับใครเพิบเราแวงแวบเลยเราแวงไว้ก่อนเ <laughs> ราแวงยันชินบางทีเหตุการณ์ทําให้เขาเราแวงนั่น แล้วเขาก็ชินต่อการที่จะเราแวงแบบนี้เหมือนสมมติด้วยงี้เราอยู่ที่บ้านเราเราแวงคนไปหมดเนี่ยจิตเป็นบุญหรือเป็นบาปอ่ะให้จิตมันเป็นบาปถ้าไปมองแบบไว้ใจคนไปหมดมันก็ยังไม่ใช่บุญเท่าไหร่นะมองตามความเป็นจริงไวิจารณายฮะเออทําจิตให้ถูกก็แล้วกันทำบุญให้ถูกเนี่ยก็แล้วนันนตรึกให้ถูกบางคนไปคิดว่าเฮ้ยถ้าหากคนศึกษาธรรมะนี่ตายเลยเสียเปียบคนตายเลยจริงไหมเนี่ย คนศึกษาพระถามมันเสียเปียคนกิ่ียไม่ถอคนะไยี่บอกว่ามีหอยู่านนึงประกอบอาชีพเป็นการจไมารก็อย่างนั้นมันตึกไม่ถือนถ้าหากพิจารณาถูกก็คงจะไม่เป็นลักษณะเช่นนั้นนะถ้าหากว่าพิจารณาเป็นหนึ่งนไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น ก็ก็ให้ดูตรงนั้นน่ะนะทีนี้ให้ดูตธารมนาวาละในตธารมนาวาละเนี่ยนะในอติอวิภูตารมิถีวิถีที่ปรากฏชัดอารมณ์ที่ปรากฏชัดในทางใจมากที่สุดเนี่ยหรือว่าชัดอย่างยิ่งเนี่ยในวิถีนี้จะเป็นตธารรมนาวาละโดยส่วนมากนั่นเองแต่ถ้าหากมีเหตุขัดข้องที่ตธารรมนะจิตจะไม่เกิด เขาก็ไม่เกิดเดี๋ยวต่อไปก็จะไปศึกษาในรายละเอียดที่ว่าตทารัมมะไม่เกิดนั้นเป็นยังไงหรือตทารัมมะจิตเกิดนั้นเป็นอย่างไรก็จะไปศึกษาในรายละเอียดตรงนั้นเนี่ยแต่ตอนนี้ก็ดูว่าเออที่เขาเป็นเน่ยเป็นไปในลักษณะเช่นนี้นะผมมาดูตรงนี้นะครับเกี่ยวกับว่าดาวเรือเรียมันไม่มีจิเจ็ขนานะไม่มีจิเจ็ขนาเหมือนกับดาวพันจตวรรที่มีจิตอะไรอ๋อ มันไม่ได้เกี่ยวเนี่ตอนนี้ไม่ได้การไม่ได้เกี่ยวการวัดอารมณ์กันแล้วตอนนี้ม ห, หมดเวลาในการวัดแล้วพ่อยวัดตรง น, นั้นก็คือทางปัญญาถ้าทางปัญญาทวารและวิถีใช่ไหมก็เทียบกับอารมณ์เณมื่อเพราอถ้าหากจะไปวัดอย่างนั้นก็เป็นทางปัญญาก็วัดกันมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมถ้าทางมโนทวารและวิถีแล้วไม่ไม่ตดองแล้ว